คร้อนอบน้อมแด่พระผู้มีาาพระภาคประธานตถาสมมาสมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นการตั้งนมโมนั้นนี่และเบียด ร, ร, รมเนียมมาตั้งแต่สมัยครั้งพุท ธ, ธกาลก่อนที่ท่านจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนา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 พระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตากินาศเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นสาบสดาจางของมนุษย์และเทวดาอินทมทั้งหลายแหลนณโมนีจึงเป็นที่งอมนึ ก, กลำลึกถึงคุณของพระองค์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 พระองค์ไม่สามารถที่จะมาถึงพวกเราทั้งหลายด้วยพระวรกายแต่พระธรรมพระวีในสัตตุศาสนาคำสอนของะพุทตเจ้านั้นยังเพื่อแพ่มาถึงพวกเราทั้งหลายนานมาสองพันห้ารอยยี่สิบหกปีแล้ว พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดอยู่ 45,000 ป่า45ปีนั้นรวมแล้วเรียกว่าพระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยพระประมัตถ์ให้ชื่อวัตู้พระไตรปิฎกพระธรรม 84,000 พันธรรมขันธ เมื่อพระธรรมคำสอนมากมายมาถึงพวกเรานั้นมีจุดมุ่งหมายอะไรจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้เราทุกคนทุกดวงใจได้บำเพ็ญบารมีของตนของตนให้แก่กล้าเพื่อจะลังับดับ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 นั่งกรรมฐานมีระเบียบทรรมเนียมว่ายพระสวดมนต์ท่องบนสาธยายพระธรรมคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าพระธรรมคำสอนพระพุท ธ, ธเจ้านั่นพุทธสาวกในขั้งพุทธกา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 อักขละตัวหนังสือการจีดเขียนไม่มีท่านก็จำเอาไว้ไม่ต้องอ่านหนังสือเรียกว่าจำไว้ยังว่าพระองค์ตัดประถมปเทศสนาที่ไหนท่านก็จำได้ว่าที่เมืองพารานาสี สอนไทยก็สอนปัญจวัคคีทั้งห้าให้ได้สำเร็จเป็นพระโซดาเป็นพระสติปาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอาราหันต์คาฟังคำคำสอนของพระพุทธเจ้าสาวกในขั้งพุทธการท่านภาวนาทำความเพียรสงบกายสงบวาจาสงบจิต เมัธาเชื่อเรื่อมใสในคนกรพุทธเจ้าว่าคณกระพุทธเจ้ามีจริงคนพระธรรมมีจริงคณพระสงฆ์มีจริงคณกระพุทธเจ้าไม่มีประมาทคณพระธรรมไม่มีประมาทคณพระสงฆ์ไม่มีประมาทเรียกว่ามากมายการที่เราได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษ ได้พบพุทธศาสนาได้ตั้งจิตเจตนามาเพื่อปฏิบัติบูชาภาวนาละอิเล็กระจองตั้งอกตั่งใจอย่าได้ประมาทพระพุทธเจ้าทรงเตือนพระอ น, นุนให้ภาวนามรณะกรรมฐาน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 ฟังอย่างเดียวไม่ทำไม่ภาวนาภาวนาอย่างเดียวไม่ละกีหลกความโกรธความโลภความหลงก็ไม่มีทางออกทางออกคือจิตต้องสงบกจต้องตั้งมั่นให้จิตใจมาเพียรเพ่งดูพุทธโธคุณพระพุทธเจา้า น้อมนึ ก, กล้ำลึกอยู่ในหัวใจการภาวานานี้ไม่เฉพาะแต่พุทธโธคุณกับพุทธเจ้าร่างกายสังขารของเราทั้งหมดมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลออนับตั้งแต่เกสาผมโลมาขนนาะคาเล็ทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาลูเอ็นอัติกระดก อติเมนชางเยื่อในกระดูกภายในหนังหุ้มนี้เข้าไปตลอดจนน้ำเลือดน้ำเหลืองสิ่งโสโครกปฏิกูลที่เต็มโยในร่างกายของเราทุกคนนี่แหละเป็นบทกรรมฐานเป็นคำกรรมฐานที่ทุกคน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 เจสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมา <c oughs> เจสาสิ่งเหล่านี้แหละจะต้องเอามาพินิจพิจารณาพิจารณาว่าอย่างไรท่านให้กำหนดพิจารณาว่าผมขนเล็ดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกสับไตไส้กรุงนี้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 นั่นก็คือแสดงออกภายนอกให้เราทุกคนตามรู้เห็นว่ารูปปรันร่างกายของเหล่านี้เป็นปฏิกูลคือว่าไม่สวยไม่งมเต็มไปด้วยปุพโพโลโหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ถ้หาหากว่าจิตนี้ออกจากร่างกายไปแล้วเมื่อใดโลประขันร่างกายของเหล่านี้จะมีกลิ่นส่งฟุ้งออกมาไม่มีอะไรที่เราว่าสวยสดงดงามตั้งอยู่มั่นคงถาวรไม่มีเลยโลประคันนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอา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 ภายในเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆถึงกันนั้นถ้าคนตายแล้วไม่ว่าพระเด่นหรือญาติโยมเขาก็ใส่เห็ดใส่ห่อประดับประดาด้วยลวดลายต่างๆยังมีดอกไม้ของหอมถูกเทียนมาจดถึงจะจดอย่างไรก็ตาม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 เมื่อผู้ปฏิบัติฟังทำเข้าใจว่าสังขารทางหลายมีความไม่เที่ยงอย่างนี้ควรหรือที่เราจะมายึดมั่นถือมั่นสาคัญสิดคิ ด, คดว่าเป็นตัวเราของเราตัวเราของเหานี้โดยสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้น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 ไม่มีที่จบที่สิ้นเพราะอำนาจของตัญหาในใจสันหาความดิ้นรนวุ่นวายไม่สงบระงับไม่ตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาจึงต้องมีข้อวัดปฏิบัติต่งตนนางๆนานาเป็นเครื่องปบดปอมฝึกฝผลอย่างดวงจิตดวงใจดวงนีให้ในความสงบตั้งมัน่น ในธรรมปฏิบัติคือนั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนายืนก็ภาวนาให้ได้เดินไปไหนมาไหนไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็ตามจองภาวนาพุทธโธในใจหรือมรณะกรรมฐานในใจให้ได้ทุกเวลา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 อธิกังกระดูกสามรอยท่อนก็เต็มตัวของเราอยู่พพพอโลหิตธาตุดินน้ำไฟลมก็เต็มอยู่ในตัวของเรานี่แหละทุกๆคนจึงจำเป็นต้องนำมาพิจารณากำหนดให้เข้าใจในธรรมปฏิบัติ แล้วจะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาให้จิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นนี้มาลู้เห็นเป็นจริงอยู่ภายในหรือที่ทัานว่าพุทโธพุทโธพุทธดวงพุทธจริงจงพุทธจริงจริ ง, รงก่อนได้แจกจิตผู้รู้นี้เอง พ, พุธทธะพุทธอพระพุทธเจ้าก็มีจิตใจเหมือนพวกเร า, พ, าพุธทธะพุทธอของพระอริยสงสาว ก, กมีจิตใจเหมือนพวกเรานี่แหละแต่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกเจ้าก็ตามท่านมีความเพียรความหมั่นความขยัน ในการบริกรรมภาวนาพิจารณาธรรมกรรมฐานอยู่เนืองนิติตต่อกันไปทำระงับความโกรธความโลภความหลงได้ด้วยการภาวนาในใจรวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งภายในสังขารามานจิเลตมานมันจะปรุงแต่งอะไรอะไรขึ้นมาท่านก็ไม่ตามมันไป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 เป็นวันภาวนาใต้ต้นไม้โพพระองค์นั่งกำรรมาถามภาวนาบริตัมอนาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ใชพูดแค่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็หยุดนิ่งไปท่านนึกอยู่จเจริญอยู่พิจารณาอยู่ในลมหายใจเข้าออก จนท่านมองเห็นได้ว่าบรณะภัยคือความตายนั้นมีได้เป็นได้ทุกลมหายใจถ้าลมหายใจนี้ผิดขัดอะไรขึ้นมาหายใจเข้าออกไม่ได้บุคคลผู้นั้นก็ถึงซึ่งความตายอยู่ไปไม่ได้ แต่ถ้าผู้ใดมากำหนดพิจรารณารู้ได้เข้าใจว่าเรานึกพุทธโธภาวนาพุทธโธดวงจิตผู้รู้ว่าพุทธโธนี้มันอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ให้รวมจิตใจเข้าไปที่นั้นจนความสงบระงับเยือกเย็นบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของเรานั้น ความร้อนใดๆซึ่งเป็นลาคกินาไฟคือลาคะโทสกินาไฟคือโททะโมหกินาไฟคือโมหะไม่ให้มันลบกขึ้นมาเพียรพยายามบริกรรมทำใจให้สงบทกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอน ระวังจิตใจไม่ให้ความง่วงความเหงาฟุ้งซ่านลำคาญเข้ามาทับโถมจิตให้จิตนี่แหละใสเหมือนแก้วมันีโชตแก้วมันนีโชตแก้วมันีโชตนั้นเรียกว่าใสไม่มีอะไรเท่าทันจองพยายามทาใจของเราให้เหมือนแก้วมันนีโชตใสสว่าง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 เก็บใจเราไม่ต้องไปสนใจรวมกําลังเข้ามาเดี๋ยวนี้อขณะเนี้ว่าเจ็ดดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนบัดเนี้เดี๋ยวนี้เราก็ให้รวมลงไปที่นี้มันเย็นสบายลงไปพุตโทอยู่ที่นี้ธรรมโมก็อยู่ที่นี่สังโฆก็อยู่ที่นี่พระโพธิเจ้าบำเพ็ญ บารมีท ร, ร ม, มากำเพนที่นี้ที่ดวงจิตดวงใจ่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้มาตรัสลูนี้นับว่าเป็นเวลาอันยาวนานนับตั้งแต่พระองค์มีปณิธานหมายมั่นปั้นใจเพื่อบำเพนบารมี เพื่อจะได้ตักสรูเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ช่วยลือขนสัตว์ให้ออกจากโลกออกจากวัฏสงสารพระองค์ตั้งใจบำเพ็ญทานบารมีการให้การบริจาคพระองค์รักษาบำเพ็ญศีลบารมีรักษาสิ่นห้าถินแปดินสิบสองร้อยยีย่สิบเจ็ ตามกานี้ละเมื่อพระองค์บำเพ็ญทานรักษาสิงแลว้วก็ภาวนาหรือว่าเนคขัมมะบา ร, รมีเว้นจากทีเลสกามวัตถุกรรมพระองค์ก็ฝึกฝนจิตใจให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญา ให้จิตใจดวงที่มีความรู้อยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีความอาถานในการที่จะปฏิบัติบูชาเที่ยมสอนจิตใจของตนของตนให้เกิดความฉลาดและให้เกิดความสามารถอาถาน สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านภาวนาทำรรเพียนได้เราก็เพียนพยายามตั้งอกตั้งใจเพียนลงไปยังจิตใจให้มีปัญญาให้มีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามธรรมนองของธรรม เร็ยว่าสอนใจของเราให้มีขยาปัญญาไม่ให้นิ่งดูได้เมื่อจิตใจมีปัญญาจิตใจอันนี้แหละก็จะต้องบันเพ็งวิริยะความภาคความเจียนความพยายาม ในทางที่จะเลิกละกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงให้เบาบางหมดสิ้นไปววริยะบารมีนี้สำคัญมากเหมือนกันพระองค์ทรงตรัสไ ว, ว้ว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเสียง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 ท่านว่าไม่เหลือวิสัยของผู้มีความเทียนมีความเทียนที่ไหนก็ย่อมมีความสำเร็จที่นั้นเมื่อขาดความเทียนก็คือขาดหมดทุกอย่างพระองค์จึงทรงตัดใดว่าวิริเยนทุกคํคมัดเจติ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 เมื่อจิตใจดวงนี้มีความภาคความเพียนแดงท่านว่าไม่เหลือวิสัยของกู้มีความเทียนมีความเทียนที่ไหนก็ย่อมมีความสําเร็จที่นั้นเมื่อขาดความเทียนก็ซื้อขาดหมดทุกอย่างพระองค์จึงทรงตัดใบว่ายิลิเยนะทุกขมักเจติ บุคคลจะล่วงทุกไปได้ก็ความเชียอท่านผู้เมความเชียอทั้งหมดจึง้นจากทุกได้ความเพียอ น, นี้ก็ตั้งใจเไม่ให้หลงไม่ให้ลืมจะภาวนาบทใดข้อใดก็ให้รวมให้สงบเข้ามาสู่จิตใจแล้วจิตใจของคนเราก็ต้องให้มีขันติ ความอดทนด้วยคันติความอดทนนี้ก็เป็นบารมีข้อสําคัญคนเราถ้ามีความอดทนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนความอดทนนี้เป็นเครื่องกระดับของนักปลานักปรารถนาสัณฑิตในทางพุทธศาสนานี้ ขันธ์นความอดทนขันธีธีรศลังกาโลขันธีความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปาดมาตั้งแต่ขั้งพุทธะคนเราไม่ว่าทำอะไรพูดอะไรคิดอ่านอะไรนั่นเริ่มหลักไม่ได้เพื่อว่าชัดจาก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 สัจจะอธิษฐานนี้ต้องทำให้ได้จิตใจก็จะโล่งโปร่งเย็นสบายเมตตาบารมีข้อนี้สำคัญนะคำว่าเมตตามีอยู่สองขันแหะเมตตาตน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 เป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลายเขาไม่รู้เมื่อสัตว์โลกเขาไม่รู้เขาก็พูดไปด้ดยความไม่รู้ทำไปโดยความไม่รู้คิดไปโดยความไม่รู้เราผู้รู้ผู้เห็นผู้เรียนผู้ปฏิบัติภาวนาจงทำใจของเราให้มีความสงบระงับเยือกเย็นสาบาย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 ในโลกมนุษย์นี้ในเทวโลกในพรมโลกหรือที่สุดก็แล้วว่าเบื้องบนแต่พวัคคมลงมาเบื้องต่ำแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาลองกอมหมื่นจั ก, กรวาลแสนโกดจั ก, กรวาลอะนันตาจั ก, กรวาลจนนับไม่ท่วน มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่เปล่ามานี้จงพากันอยู่เย็นเป็นสุขเถิดข้าพระเจ้าไม่เบียเดเบียนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายขอให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียเดเบียนซึ่งกันและกันเลยและว่ามุ่งมากตาถนาให้เห็นว่า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 คือว่าเมตตาภายในเมตตาภายนอกเมตตาจนถึงดวงจิตดวงใจหรือแต่วิญญาณอยู่ท่านก็ให้มีความเมตตาให้ถึงกันไม่ให้มีความอิจฉาพยาบาทแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย <c oughs> เมื่อบุคคลมาจเจริญเมตตาธรรมได้ในใจ เก็บใจของผู้นั้นก็ย่อมเข้าถึงอุเบกขาจิตอุเบกขาธรรมคือว่ามนษุษย์เลยครับทั้งหลายยังมีกิเลสความโกรธอยู่ยังมีกิเลสความโลภอยู่ยังมีกิเลสความหลงอยู่ก็ย่อมมีความเร่าร่อนในใจิตจัง ใจเราผู้เรียนผู้เบิกขาจิตเมื่อสิ่งใดมันเหลือวิสัยสุดวิสัยเป็นไปไม่ได้เจ็บเราก็อย่าได้เป็นทุกข์เป็นหลอนอย่างว่าคนเราที่เกิดมาแล้วมันมีหน้าที่จะต้องตายก็ให้รู้ว่า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 หรือเรายัางมีชีวิตอยู่บุคคลอื่นสัตว์อื่นในโลกนี้เขาแต่เขาตายเขาทุกข์เขารอ้อนก็ให้รู้จักวางเฉยให้ได้ไม่ต้องไปทุกข์แทนเขาอย่างดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้อ่อใสสะอาดเป็นแก้วมันน่นโชตแก้วมั่นนิโยเสมอ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 ท่านก็ได้ดื่มอมตะธรรมคือธรรมไม่ตาเข้าถึงได้แล้วไม่ตาไม่หลงไหลไปตามลูกเสียงกลิ่นรสโสดพระธรรมลมท่านภาวนาอยู่ทุกวินาทีในจิตใจนั้นให้เราทุกขนทุกดวงใจรวมจิตใจเข้ามาให้สงบลงับ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 ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเทวังก็มีด้วยประกาละชนีดสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลกโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรยโยทุขีทีคายุโกภวะอสิวาธนาซีริสนิจังวุธาปัจจายิโน จัตตารโรธรรมาวะชันติอายุวันโนสุขังสารังเวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาตั้งใจ ใ, ง ใ, ให้มันสูงมาทำจิตใจมันต่ำ คิดอนใดที่เนี๊ิเลตลาคะอยู่ในจิตในใจคิดว่าจะทุกหาลาเทศก็ให้ละริงให้หมดเวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาละสีเลตตัวสำคัญ กิเลสตัวสําคัญคือว่าเป็นกิเลสที่สร้างมนุษย์ให้เกิดมาเกิดมาแล้วก็มาเป็นทุกข์เนร้อนด้วยอํานาจกิเลสราคะตัญหาของมนุษย์ที่ยังมีกิเลสอยู่มันสร้างขึ้นมาที่นี้จิตใจที่ภาวนายังไม่เกิดไม่มียังไม่เต็ม ยังละสีเลกลาขะสันหาไม่ได้พอเกิดมาล่องให้แวแลวๆคำเดียวก็มายึดมาถือว่าตัวเราของเรายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราหาลู่ไม่ว่าี่เลกของโลกของคนอื่นเขา่ายเทไว้ ใจเราไมู่ลก็มายึดมาถือเอาธาตุดินน้ำไฟลมก้อนธาตุสมาถานี่มาีไมได้มาแล้วก็ไม่มีสติสมาธิปัญญ า, าอันใดที่จะมาตามโล่ตามละตามแก้ไขก็เลยมายึดมั่นถือมั่นไปต่อไปอีก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 สอนพระอ น, นุ์ไว้ว่าดูก่อนอุ น, นในวันหนึ่งอนน์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งท่านพระอ น, นุ์ก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าัวเกนโยได้นึกถึงตังวันละหลายพันครั้ง ถ้าพระองค์ได้นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งส่วนพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าตรัสสวนไปว่าดูก่อนอนนนวันหนึ่งหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ว่าอย่างนั้น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 นึกได้ทั้งเด็กทั้งหนมทั้งแก่ทั้งชราทั้งคราะห์ส์และปัญญาชิตไม่ต้องไปแยกท่านวันนะนึกได้เมื่อไรก็ให้เล็กแม้จะนั่งทายอุจจาระปัดสาวะอยู่ท่านึกได้เวลานั้นก็รีบนึกกว่าเราจะต้องตายแน่แน่ที่พ้นมาจาก เป็นทาลกไม่ตายตกเป็นบุญอันหนึ่งจนมาถึงวัยหนุ่มวัยแกวัยเทลานี้เรียกว่าเป็นบุญมหาศาลเพราะจะได้นึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลสา่วนเราจะถาคตพระองค์ทรง แน่ให้อานนท์ดูเราตถาคตนะเราตถาคตนี้ตั้งแต่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเราตถาคตไม่ได้นึ่งนอนใจลมเข้าไปเมื่อใดเราก็นึกได้วันนี้ความตายถ้าออกมาไม่ได้ก็ตาย ลมออกไปแล้วถ้าสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายมาลนังเมพาวิสติเราจะถาคตนึกถึงความตายนี่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกพร้อมกับการนั่งขัดสมาธิเราจะถากตก็ไม่พ่อไม่ถอยไม่ว่าเราจะถาคตจะ น, นั่งที่ไหน ความนั่งขักสมาธิเป็นเครื่องฝึ ก, ก, กจิตใจของเราสถาคดอยู่ตลอดเวลาแม้กิเลสราคะโทสะโมหามันดับแล้วตายไปแล้วก็ตามแต่ระเบียดเหล่านี้เราสถาคตยังรักษาไว้เพื่อสอน สาวกสาวยิกานักบวชนักบ้านในโลกในมนุษย์โลกเทวโลกพร ม, มโลกเือว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนก็ตามสเสด็จไปที่ไหนก็าัางมนุษย์และเทวดานั้นเด ว, ว่าได้เห็นได้เห็นนั่งสมาธิภาวนา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 ส่วนมากก็คือกิเลสสามก่องนี่แหละกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสมหะกิเลสราคะโทสะโมหะนี้มันนม่เด็ดใจมั น, นไม่เด้ไปไกลจากจิตใจมนุษย์คนเราเลยมันโยในหัวใจมันเฝ้าอยู่ในหัวใจ สิ่งใดที่เห็นว่าเป็นของสวยของงามมันก็ต้องการอยากได้ถ้าสิ่งใดมันขีล่ายขิเละไม่ชอบอย่างเห็นคนถ้าเห็นคนผิวพรรณวันณะดีรูปร่างดีสสวยซ้ำสมมติโลกกิเลสอันนี้มันก็ชอบ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 เวลาที่โทษกุศถังมาใกล้ไม่อยากพูดด้วยไม่ถ่าถามด้วยเองจะมาขอสตางก็ไม่ค่อยจะให้เพราะว่าให้ก็ให้บดยความจ้างให้มันไปให้มันพ้นหน้าพ่นตาเสียเพราะข้าวไปเจ้าไม่ชอบคนที่โทษกุศถังเน้นสาบเน้นข่าวดู มือก็สั้นเท่าเท่าก็สั้นเข้านื้เข้าก็ไม่น่าดูละอันนี้คือว่าจิตใจมนุษย์คนเราธรรมดาปุถุปุถุยโนโปุถุสนไม่ว่าใครมันเป็นอย่างนี้ผู้ภาวนาทั้งหลายจงพากันสังอกสังใจ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 เราเดินไปมาเราอยากเข้าใจว่าเราหนีจากความตายพ้นเดินความตายมันก็เดินนะยืนมันก็เดินนะความตายแียกว่ามันเพียบอยู่เหมือนเงาเทียมตนคนเราเมื่อแดดทองมาจะเห็นเงาตัวเองว่ามันมีเงาเป็นรูปความตายมันก็แสงอยู่ในร่างกายของคนเราทุกๆคน ใคจะเศ้าโศกเสียใจดีอกดีใจเพิดเพลินอย่างไรก็ตามแต่ความตายมันมาเดชเพลิดเพลินไปกับบุคคลมันจ้องอยู่ที่จะเอาตายให้ทุกเจลาไม่ว่าตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกให้พากันเรียกบอกกรรมฐานให้ใจของตัวเอง ลกขึ้นภาวนานึกถึงความตายนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกวันเวลาในใจนั้นแล้ว่าตั้งใจอยู่ให้อยู่เหนือโลกเหนืออารมณ์สัญญาต่างๆไดีใ่เสียใ จ, ใจเป็นเรื่องของกิเลส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 พระพิตรเจ้าของเราทรงตรัสสอนไว้ยอย่างนี้ให้เราทุกคนน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบจิตใจเข้ามาจนเป็นสมาธิภาวนาตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติจริงๆแล้วความลูกแจ้งแสงสว่างก็ย่อมเกิดน้ขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเอง ดังแสดงมาก็ส้มควรด้วยกาละเอลาเอวังก็มีด้วยพระกาละเทะนีสัิติโยวิวัตชนตุสัพโลโควินาชตุมาเตภวัตตวันตราโยสุขิติคายุโกภะวะอภิวาธทานาสิริชนิตยังุทธาปจาริโนจ ต, ตาโรโอธรรมาวันตุ อายุพโนโสขังทาลัง